ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงวิมานอวัตถุคือเรื่องวิมานเรื่องวิมานในกลุ่มนี้มีอยู่10บกลุ่มด้วยกันเริ่มด้วยปาริชัตตะวิมานคือวิมานที่มีอยู่ใกล้ต้นปาริชัตตะ พระโมคคัลลานะเทระไปท่องเที่ยวไปในสวรรค์ชั้นดาบดึงก็ไปพบเทพธิดาที่ใกล้ต้นปริสัจจะไอปริชัตตะอยู่สองวิมานเป็นวิมานที่สวยงามพิจิตรรุ่งเรืองท่านก็เข้าไปสอบถามว่าท่านทั้งสองนั้นทำบุญทำกุศลอะไรไว้ จงมาเกิดวิมานเหล่านี้ท่านบอกว่าในชาติปางก่อนนั้นทั้งสองท่านเป็นสภัายในสกุลมิจฉาทิฏฐิคือในพุทธการนี้เองในสกุลมิจฉาทิฏฐินั้นไม่นับถือพระรัตนตรัยไม่สนับสนุนให้ การให้ทานและาสีนเป็นต้นแต่ว่าท่านทั้งสองเกิดในสกุลสมาธิฏฐิพ่อแม่ได้ให้การอบรมมาอย่างหนึง่งแต่พอไปอยู่ในสกุลสา ม, มีทุกอย่างก็เป็นเรื่องของสา ม, มีเป็นเรื่องของพ่อสา ม, มีตัวเองไม่มีสิทธิในการบำเพ็ญบุญกุศลมีฐานเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งได้เห็นพระเีระที่มีอินทรีย์สงบประงับ คือเรียบร้อยน่าศัทธาเรื่องใส่ไอ้คนหนึ่งก็มีอ้อยอยู่ในมือท่อนหนึ่งก็ถวายคนหนึ่งก็มีขนมอยู่ก็ถวายเรื่องนี้ได้ทราบถึงพ่อของสามีก็โกรธมากแล้วก็ทุบตีท่านทั้งสองนั้นจะตายไป แต่ท่านตายไปด้วยความเชื่อมั่นในบุญในกุศลที่ท่านได้กระทำว่าเป็นการกระทำถูกต้องจิตใจก็มีความผ่องใสแต่แล้วก็บังเกิดในปริจัตตวิบาลนกล่าวในข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเทวธิดาทั้งสององค์นั้นจุดเด่นสำคัญอยู่ที่ พื้นฐานทางด้านจิตใจที่มีความศรัทธามั่นคงในปรัชาตรัสรายแม้จะต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการสนับสนุนคือไม่เอื้อมหนวยให้ท่านสามารถทำบุญตามกุศลศรัทธาที่บังเกิดขึ้นได้ก็ตามแต่ท่านก็รักษาศรัทธาส่วนนั้นเอาไว้ เมื่อเห็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความศรัทธาเรื่อมใสท่านก็ทำไปตามพิสัยความสามารถในด้านวัตถุนั้นก็ไม่ประนีตเท่าไรแต่ในด้านจิตใจแล้วก็เป็นจิตใจที่ประนีตแม้จะถูกพ่อของสามีทุบตีไอ้จิตใจก็ไม่ขุดมัวซศ้าหมอง ก็อยู่ในลักษณะของสัตว์ปุรุษที่ท่านบอกว่าสัตว์ปุรุษแม้ประสบภาวะวิกฤตอย่างไรก็ไม่ทิงท้งธรรมถือไม่เสียฐานในการเป็นสัตว์ปุรุษประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่ไปยุติกระส่วนอื่นๆที่เคยกล่าวมาแล้วเช่นว่าเมื่อจิตพองแพ้่ ก็หวังได้ว่าจะเกิดในสุคติเพราะการข้ามพบข้ามชาติคือชีวิตหลังจากตายนั้นถ้าไม่เอาไอ้พวกคารุกรรมคือกรรมหนักเข้า ม, มาเกี่ยวข้องจิตที่เป็นเนียวนึกถึงกรรมในปัจจุบันคือก่อนที่จะดับจิตเป็นตัวกาหนดคดีพบสม บ, บูรคณค์แบบนั้น เรื่องที่เคยเล่ามาแล้วก็มีเป็นนันมากเช่นเรื่องของโคศกเศรษฐีในชาติที่เขาหอนส่งพระปัจเจ้าพระพุทธเจ้ า, จจาดดหรือ ท, รที่เล่าในวิมานของอดีตหญิงจันทานที่ทําใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนจะดับจิตขณะเดียวแต่นั้นเองหรือมัทธะกุนตรีที่เกิดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนตายแล้วบางเกิดในวิมานเช่นเดียวกัน อพอดีเมื่อวานนี้มีเอกสารให้ส่งมาจากจังหวัดชนบุรีพระท่านส่งมาให้เล่าถึงคนคนหนึ่งอยู่ทางจังหวัดขอนแก่นเคยเขาตายไปสองชั่วโมงถูกรถอะไรรถดำทับตายแล้วแกก็มีความรู้สึกว่าแกก็ไปที่ไหนไม่รู้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามมากไม่ใช่เมือน ไม่ใช่เมืองแต่ว่าเป็นบ้านบ้านสวยงามวิจิตรพิสดารแล้วคนก็มีหน้าตาแจ่มใส ย, ยิ้มยามต่อกันที่แกแปลกมากก็คือว่าอย่างอื่นมันมี เ, เช่นมีต้นไม้มีดอกไม้ ม, ไ ม, มีสวนมีสัตว์แต่ไม่มีเด็กไม่มีคนแก่มีแต่คนหนุ่มคนสาวเท่านั้น แกจบไปจบมากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่มีใครทักทายอะไรกันเลยเขตกลงว่าเมื่อไม่มีคนทักทายแกก็คิดว่าจะกลับเพราะกลับมันก็มาอยู่ที่ร่างแนละ้วพอึกว่าจะกลับก็อยู่ที่ร่างหมอกาลังแก้ไขยอยู่พอดีแล้มอก็เรียกแกก็ฟื้นขึ้นมาพอเกิดมีความศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมหลังจากนั้นก็บวช แต่วิบากกรรมทั้งหมดบวชได้เจ็ดปันก็ออกไปขับรถดำต่อไปแล้วแกก็เล่าเรื่องนี้มาให้พระนำมาเผยแพร่ซึ่งเรื่องในแนวนี้ถ้าเราสอบทานกันทั้งหมดคือคนต่างๆที่ประสบมาแล้วก็นำมาเล่ามีการบันทึกไว้ในที่ต่างๆตลอดถึงไปเทียบเคียงกับเรื่องในวิมานอวัตถุก็จะมีลักษณะเป็นอันเดียวกัน มีจะแตกต่างกันในด้านข้อปลีกย่อยของคนที่เข้าไปรู้เห็นเรื่องเหล่านั้นเพราะหนวิบากวัตถุเป็นการแสดงของพระอระหันต์หรือว่าเทวดาเองหรือพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่คนทั่วไปนำมาเล่านั้นเป็นเรื่องของการที่ตัวเองได้ตายไปหรือจะพูดว่าสลบไปหลายชัมม่วโมงเพราะรายละเอียดในด้านต่างๆจึงไม่ค่อยจะเหมือนกัน วิมานประการต่อไปนั้นท่านเรียกว่าบัรลังกบวิบาลแตวิมาน ม, มีลักษณะเหมือนกับบรรลังเท่านั้นเองความมีจิตพิสดารสวยงามนั้นอธิบายกันจ น, จนคือว่ามันก็ฟังดูก็คล้ายๆกันนะอาจจะขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันหรือคนที่เป็นบริบารมากน้อยไม่เหมือนกันใความแตกต่างในด้านบรรณะในด้านรัศมีในด้านใดเนี่ยซึ่งเป็นรายปลิกย่อยนะ ท่านผู้นี้ก็เป็นพระโมคลานะถามกันท่านบอกว่าท่านเป็นหญิงสะพยในสกุลทำไมไปเจอเทเทธิดาไม่รู้เทพบุตรไม่ค่อยมีนะก็แต่ิงเป็นหญิงสะพยในสกุลเป็นคนมั่นคงในต้าที่ของของพัญญา คือพยายามปฏิบัติหน้าที่ของพัญญาให้ดีที่สุดแม้ในสกุลจะเป็นสกุลมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ท่านเองก็พยายามปฏิบัติตัวเองให้เป็นที่พอใจ ย, ยินดีของสามีและแม้จะกร ะ, กระทบกระทั่งอย่างไรก็ไม่โกรธคือพยายามพยายามคมใจรักษาใจเอาไว้ไม่ให้โกรธแม้จะไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้น ท่านก็เพียรพยายามปฏิบัติในส่วนที่เป็นสัจจะแล้วทนจะพบว่ามัน ก, ก็กลายเป็นพรหมจรรย์ทั้งสข้อนะฮะถึงแม้จะอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมอย่างนั้นก็ตามพรหมจรรย์ น, นั้นแปลว่าการประพฤติประเสริฐประพฤติดีงามของบุคคลทั้งหลายไม่จําเป็นจะต้องบวชเป็นศีลาจารินีเป็นพราหมจารีอะไรต่ อ, อะไรที่ มีกิจกรรมที่เขาบวชกันมากในปัจจุบันคือบางทีมันเป็นกิจกรรมหาเงินเข้าวัดใจแต่จริงแล้วพรหมจรรย์ระดับนั้นเราประพฤติที่ไหนก็ได้นะคัีรจารีนีก็คือรักษาศีลรักษาศีลนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผ้าขาวอยู่ที่ใจขาวอยู่ที่อาการทางกายวาจาขาวเท่านั้นเองเราไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทอง แต่ถ้าว่างๆจะไปทําได้ก็เป็นการดีก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆเพราะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทีรนี้ถ้าหากว่าไม่อยู่ในสภาพพร้อมนั้นศีลทั้งหลายเนี่ยคือท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอย่างเทพธิดาองค์นี้ท่านก็มีปฏิบัติพรหมจรรย์ทั้งสมข้อข้อแรกก็คือปฏิวัติแปลว่าจงรักภักดีในสามีคือปฏิบัติหน้าที่ของปัญญาที่ดี การที่สองไม่โกรธคือไม่ไอ้ไม่โกรธนั้นแท้จริงมันก็คือเมตตาเพราะนั้นเมตตานั้นก็เป็นพรมจรรย์นในอัปปมัญญาแล้วก็ความความสัตว์ยือความสัตว์นีเป็นหลักปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาเมื่อท่านทำการักริยาแล้วก็มาบังเกิดในสถานที่นั้นเราเป็นเรื่องของธรรมะ ซึ่งซึ่งซึ่งองค์ทำนั้นให้ลองสังเกตว่าจะมีการซ้ำกันอยู่เรื่อยต่อไปอีกวิมานหนึ่งวิมานนี้ไม่ใช่พระโมกขาลานะไปพบแต่เป็นพระนาราะหรือพระนาฏไปพบทำความดีไว้มากคือเป็นเทพธิดามืองกันนะครับเป็นเทพธิดามืองกัน ทำความดีไวมากแล้วท่านก็เข้าไปสอบถามทราบความถึงการปฏิบัติความดีก็หนึ่งคือหน้าที่ของพัญญาที่ดีประการที่สองรักษาศีหานนาลห้าเป็นนิจเจศีลในเรื่องศีลห้เป็นนิจเจศีลนะมาลองสังเกตว่าเวลาให้ศีลในที่นี้อตอนอามะพันเตตอนนั้นรู้สึกเสียงเบาไป <c oughs> แสดงว่าไม่กล้ารักษาตลอดคือไม่กล้ารักษาเป็นนิจ ที่ท่านขึ้นต้นด้วยคำว่าอิมานิปัญจะศิขาปดานินิจจจศีละวเสตสาธุการกิเตบาลนิซึ่งแปลเป็นไทยว่าศีลทั้งห้าประการนี้ขอให้ท่านทั้งหลายรักพึงรักษาเป็นนิตท่านก็รับปากกับอามะพันเตะแปลว่าเจ้าข่าเลยครับแต่เสียงมันเบาอ่ะ แ, แสดงว่าสมัครใจจะรับไม่กี่คน แล้วต่อไปก็เป็นการบอกอนิสงส์ของศีลจะมาสังเกตมานานนะตรงนี้เสียงเบาทุกทีได้อาจจะเกิดเพราะท่านไม่รู้หรือว่าไม่มั่นใจว่าจะรักษาเป็นนิดได้ก็เลยไม่รับเลยแต่ว่าท่านเทพธิดาองค์นี้ท่านรักษาเป็นนิตพอถึงวันอุโบสถท่านก็รักษาอุโบสถศีล ตอนนี้ลองสังเกตว่าแม้ที่ท่านอยู่ในบ้านเองท่านก็ปฏิบัติของท่านได้ถ้าทำก็ท่านได้ไมันมจะเป็นจะต้องมีพิธีรีตองอะไรามากมายเพราะศีลห้านั้นในสภาพปัจจุบันดังนั้นจะพบว่ารักษาง่ายขึ้นเยอะเลยจึงคนที่มีฐานะดีหน่อยมันปัญหาที่น่าค่วงอยู่ข้อเดียวคือข้อที่หนึ่ง ยังตามาหากินในปัจจุบันเนี่ยมันมีไอ้สินค้าําเร็จรูปไอ้ของที่เป็นไปตามปกติในตลาดมันก็มีอยู่เยอะไอ้ข้อที่สองยิ่งง่ายใหญ่ข้อที่สยิ่งสบายมากข้อที่สี่ปากจะจัดหน่อยก็ไม่เสียหายอะไรแล้วข้อที่หจะไปนิยมในสังคมเอาพูดถึงสังคม บังกอนี้ได้ยินข้าโฆษณาหนังสือเล่มชื่อไฮค a าดสังคมชั้นสูงหรือคนชั้นสูงอะไรกันนะเรจะแปลยังไงก็จ้างเขาอ่ะก็สงสัยเลยให้เด็กไปหามาดูก็าจางนั้นจริงสังคมชั้นสูงด้วยความหมายออแสดงว่าในบ้านในเมืองนี้สังคมชั้นสูงก็คือคนที่มีเงินคนที่มีเงินกินอยู่หรูหรา กินเล้าฝรัง่งแต่งตัวชุดฝรัง่งใช้รถฝรัง่งแพงๆอันนีค้คือชั้นสูงแสดงว่าความหมายในภาษาที่เราใช้กันไม่เหมือนกันเพระชั้นสูงในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงชั้นของจิตที่มันสูงขึ้นไม่ได้หมายถึงชั้นอาชีพหรือชั้นของทรัพย์สินประในชันทรัพย์สินสูงสุดแล้วก็ในเมืองนี้คนสูงสุดก็คงจะเป็นคนชิน ชินสโสพลพระนิจปฏิจันดับ12 12คนในเศรษฐีโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องของค่านิยมความคิดนะฮะความคิดของโลกแล้วก็ไปตั้งตัวเองจะหยโยดจอยเลยเป็นไฮคลาสแต่ทางศาสนานั้นวัดกันที่คุณธรรมภายในใจเพราะนนั้ความเป็นเทพประรบเทพธิดามันก็อยู่ที่คุณธรรมภายในใจวิมานของท่านเหล่านี้ประณีดขึ้นประนีดขึ้น ตรงนี้ที่จริงมันมีอยู่สองวิมานนะครผิดกันอย่างเดียวคื อ, อท่านท่านท่านผู้นี้ไปเพิ่มอโบสุดเสียขึ้นนอกนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันวิมานชุดต่อไปเขาเรียกว่าคุดตินวิมานนะฮะไอ้คุดตินวิมานนี่เป็นวิมานที่พักจะแปลกที่จริงไม่ใช่ชื่อวิมานคุดตินฮนะมันเป็นวิมาน ส0มิบพมานด้วยกันก็ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งคือพระมกรลานะท่านไปมาแล้วนำมากราบทูลพระพุทธเจ้าเล่าฟังถึงเที่ยว30มสิบพมานเนี่ยพระเจ้าก็รับสั่งว่าวิมานเหล่านี้สมัยที่เราเป็นคัดตินเป็นคัดตินบุรุษก็เคยไปคุดตินบุรุษก็เคยไปเหมือนกัน คือคุตินั้นเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นเป็นบุรุษนักดีดพินเป็นนักดีดพินที่ไพเราะมากเลยจนขนาดท้าวสกะเทวราชสมัยนวนโบราณนาเนกาเลนะคือให้ให้คนมารับไปให้ดีดพินแล้วก็นาเที่ยวชมวิมานเพื่อกระตุ้นให้ท่านประพฤติปฏิบัติความดี นันพอเห็น ม, มิมานไปสอบถามทำบุญอะไรแต่ อ, อะไรแต่ท่าน จ, จามวายเสร็จแล้วท่านก็มาประพฤติมาประพฤติปฏิบัติในกุศลและธรรมเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของศีลของสัจจะของการปฏิบัติภาระหน้าที่ของการเจริญพรหมหารเนี่ยธรรมะระดับระดับก็เรียกว่าอาคารยะวินัยวินยันยของผู้ครองเรือนแล้วมันอยู่มันได้ยังไงจนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพพุธเจ้า ก็แสดงให้เห็นถึงอายุนะฮะว่าอายุนี่มันนานไกลจริงๆอย่างที่เคยบอกว่าจากหลักฐานที่ท่านแสดงใบนั้นว่าอายุของเทวดาขนาดดาวดึงเนี่ยเราผ่านไปร้อยปีเขาเพิ่งได้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งจาตุมาราชเราผ่านไปห้าเดปีเขาเพิ่งได้วันหนึ่งก็คืนหนึ่งยิ่งไปสูงแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยอันนี้ก็เป็น แต่มาลองไปสอบดูทีอีกแล้วนะฮะไปลองค้นดูว่าไอ้ท่านคุตตินเนี่ยไอ้คุตตินวิมานนี่เขาไอ้คุตตินบุรุษเนี่ยเป็นคนศรัทธาในาศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงประนามพระสุมาณะแล้วเราลองมาศึกษาประวัติพระสุมาณะดูดิว่าอยู่ที่ไหนคือนับย้อนจากพระพุทธเจ้าเราไปเป็นองค์ที่สิบหกคือนับนับขึ้นนะฮะไม่ใช่นับลง นับจากพระพุทธเจ้าเราไปไม่ใช่นับจากพระเจ้าตันหังก่อนไม่ไม่ใช่ไม่ได้นับจากพระพุทธเจ้าตัณหังก่อนไปลงที่ส6หโอ้โหสแสดงว่าอายุจังเลยนะถ้าใครไม่ชอบอายุยืนจะไปตั้งความปรารถนาเกิดสวรรค์นะอยู่กันนาน น, ะนานจนจนจนเรียกว่าก็โลกลืมเพราะงั้นเราเรามาเทียบดูกับที่ในปายาสิราชาญยสูตรที่พระกุมารกัจสป ตั้นแสดงแก่พระเจ้าปายาสีพระเจ้าปายาสีบอกนะเคยสางญาติพี่น้องที่เขาทาความดีไปเยอะนะก่อนก็จะตายนะบอกว่าถ้าตายแล้วก็มีสวรรค์อยู่เลยช่วยกลับมาบอกมาบอกด้วยนะฉันจะได้ทําความดีเพื่อไปเกิดสวรรค์นั่นเขาบ้างพระเจ้าปายาพระกุมารกัจสะปะท่านเล่าท่านยกอุปมาให้ฟังอุปมาสองอุปมานะอุปมารแรกก็เหมือนกับคนที่ตกลงในหลุมพูด แล้วคนช่วยขึ้นมาอาบน้ําอาบผ้าให้พระพรมของหอมให้เป็นอย่างดีอยากจะลงไปหลุมคูดอีกไหมพระยอดประยศิบอกไม่มีใครต้องการลงพระกุมารกัตสปะก็เหมือนกันท่านบอกก็เหมือนกันพวกเทวดาพอแกเป็นเทวดาปั๊บแกไม่อยากสัมผัสมนุษย์เพราะว่ากลิ่นสาบของมนุษย์นี่ปรากฏแกเทวดาตั้งร้อยโยอดอันนี้ก็พูดสมัยพระพุทธเจ้านะ ปัจจุบันในพอลูชันมากขึ้นอีกขึ้นไปสองร้อยสามร้อยยอดเราก็ได้เพราะงั้นเลยเราไม่ค่อยเจอเทวดาไลยตอนเนี้ยคงเหม็นมากฮั่กลิ่นกลิ่นขึ้นไปตลบเลยคือถ้าท่านหลายที่เคยขึ้นเครื่องบินจะเห็นว่าเรามองกรุงเทพมันมีฟ้าขาวทึบปิดกรุงเทพอยู่เออแดงมันก็เมนหม็นน่าดูนะฮะนี่มันก็ลมกันลงกันว่าทีนี้อุปมาหนึ่งท่านบอกว่าคือเขาอาจจะตั้งใจว่าจะมานะ แต่คิดว่ามาเจอสมบัติที่สวยงามวิจิตพิสดารไม่เคยสัมผัสก็อีกว่าสักสองสามวันน่ยจะไปจะอยู่อีกสักสองสามวันน่จะไปบอกปายาสีแต่ว่าสองสามวันในโลกสวัสดนะคือที่เขาตายไปยังไม่ถึงครึ่งวันเลยเพราะงั้นป่าเขาจะลงมาได้เนี่ยปายาสีก็ตายนานแล้วนะนี่คือคือคือเป็นเหตุผลที่เราจะพบว่าแต่เราดูตามหลักทั้ง แนวของพระพุทธเจ้าเลยนะฮะแนวพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีการนาุนิีการเนี่ยก็จะสัมพันธ์สอดคล้องกันหมดแล้วแม้แต่เรื่องที่คนสมัยปัจจุบันเขาไปตายไปแล้วก็ไปพบเรื่องเหล่านี้จะสอดคล้องต้องกันต่อไปก็เป็นบิมานสองวิมานเหมือนกันผู้หญิงอีกไอคุตินวิมานก็เทสทิดาห์นะที่จริงเทสทิดาทั้ง30สิบีมาน ก็ไปเจอเฉพาะวิมานเหล่านี้ถ้าจะวิมานเทพประบุต์มันก็คงจะมีแหละประเดี๋ยวของของ้า ง, งหลัง ค, คือเขาก็แสดงในวิมานของเทพธิดาไปก่อนเพราะามาพูดไปตามลาดับไม่ไม่ไม่ไดเอามาจากคือไม่ไดเอาสับหน้าสับหลังเพราะว่าเขาจะเรียงวิมานในลักษณะกุศลที่เข้มข้นสูงขึ้นแล้วก็เอาเอกุศลธรรมดาธรรมดามาดูเอ่อวิมานต่อไปนั้นก็เป็น สองพี่น้องนะฮะชื่อสุพัท ธ, ธากามาสุพัท ธ, ธาเออนี้พระวังคีศะเป็นคนไปสอบถามพระวังคีศะเป็นพระหนุม่มตอนท่านบวชนั้นอายุประมาณ 22-23 ปีนะท่านเรียนมนเขาเรียกว่าเชวิต ชวิมันตระคือมนต์มนที่เคาะหัวคนตายนะแล้วก็บอกคติที่ไปเกิดได้ใช้เป็นเครื่องมือหากินกันโว้ยปายกันมากจนมาถึงกรุงราชจุคฤมึงสาวัตถีนะตอนนั้นพบพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพวกลูกน้องพวกหน้ามาโฆษณาเชิญชวนให้มาดูบงังคีศะเคาะหัวศพนะอเคาะอกกะโหลกอนะแล้วจะบอกพบภูมิที่อุบัติได้ แต่ไม่มีใครสนใจคนก็เดินไปประเชศตะวันกันหมดเขาเกิดสงสยัยสอบถามเขาบอกว่าอันนั้นมันเรื่องจิปบจ้อยมากนะอ น, น, นแต่ถ้ามาหากินเมืองไทยได้หลายวันอ่ะก็ตกลงว่าไม่มีคนสนใจเมื่อไม่มีคนสนใจแกก็มาคิดว่าแกถ้าไปเรียนกับพระพุทธเจ้าอีกสักมลเนี่นะเขาคงจะดีคงจะหากินได้ทั่วชมพูทวีปก็ตกลงก็ไปด้วย พระเจ้าทรงรู้ด้วยประาญาณดวงหน้าก็สั่งให้หาศาีรษะมาไว้หา้ศาศีรษะได้กันวางเรียงเอาไว้แล้วให้นันีเคาะเคาะสีสส่หัวแรกพระพุทธเจ้าอนโมทนาหมดเลยคือพระเจ้าเรียงไว้ตามลำดับครบคนนี้เกิดนรกอันนี้คนนี้เกิดในอาบายเป็นสัตว์ดิบสารคนนี้เกิดเป็นมนุษย์คนนี้ไม่ใช่คือเอาเฉพาะอบายนะอบายมนุษย์สวรรค์พรหมแล้วก็พระอาหารหันต เอามาสี่หัวเพราะว่าถึงศีสะป้าหันเคาะหมดมนเลยหาหาสถานที่เกิดไม่ได้อีกสี่ีหัวแรกนั้นพรุทธเจ้าอนโมทนาหมดบอกถูกพอหัวที่ห้าเลยจบหมดหมดภูมิไอ้ทางก็บวชบวชโดยต้องการจะขอเรียนมนพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะเรียนก็ต้องบวชแล้วก็บวชบวชพุทธเจ้าก็บอกให้ต้องเกสาโรมานะกขานี่ เกซาฤโลมานนะเขาเป็นบอกบอกบริกรรมมนไปก่อนนะให้ท่องบริกรรมมนไปเสียก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆคอย่คอยดึงความคิดของท่านให้ตัดจากมนมาเจริญกรรมฐานก็บรรลุอราหันต์เป็นพระเทระที่แตกฉานในทางโครงฉันฉันว่าพระพุทธเจ้าเทศเป็นธํามนองธรรมดาเนี่ยฮ ะ, ะร้อยแก้วธรรมดาไปเดี๋ยวท่านท่านสรุปเป็นร้อยกรองออกมาเลยชอบฟังเทศแล้วก็ชอบสรุปเป็นร้อยกรองเป็นนักกวีอย่างเงี้เลิ่ในทางปฏิพันธ์ ท่านไปพบเห็นแล้วก็สอบถามปรากฏว่าทั้งสองท่านเนี่ยทั้งสองวิมานนี้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มีสามีคนเดียวกันไปนร่วมสามีกันเออแต่เวลาตายไปแล้วไอ้น้องสาวน้องสาวเกิดดาววดึงพี่สาวเกิดนิมานรดี ปล่อยไปห่างกันนะฮะนี่มาดีนั้นเป็นสวรรค์ชั้นที่5าดาวปรดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่2สองปีไอจากข้างล่างเนี่ยเข้ามาเอข้างบนเนี่ยเขามาเยี่ยมข้างล่างได้นะฮะข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ได้เอแ ท, ท็กทิดาองค์ที่เป็นพี่ในชาติก่อนนะฮะก็ลงมาเยี่ยมแล้ว ม, มาคุยมาปรารบถึงชื่นชมบุญกุศลกันนะชื่นชมบุญกุศลระว่งางอิสระท่านก็ไปพบท่านก็สอบถาม ปรากฏว่าทั้งสองท่านนั้นได้เล่าบุญกุศลพื้นฐานก็เหมือนกันที่กราบมาแล้วนะฮะก็หน้าที่พัญญาก็ปฏิบัติหน้าที่พัญญาที่ดีแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อต่อบริวารชนขยายออกไปนะขยายออกไปเอื้อเฟื้อต่อบริวารชนมีความเมตตาไม่ทุกอำนาจแก่ความโกรธแล้วก็มีการสงเคราะห์ญาติพี่น้องขยายตัวออกไปแต่ว่าที่มันต่างคือท่านจุลสุภะเอกไม่ใช่มหาสุภทาพี่สาวนะ อาตุปทานนั้นรักษาศีล8ดเป็นประจำเพราะงั้นไอ้ศีลมันเลยกลายเป็นตัวเร่งตัวเร่งที่ส่งให้สูงขึ้นไปกว่าอย่างอื่นเป็นการปฏิบัติมาด้วยกันเพราะว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแต่พี่สาวทําได้สูงกว่าทําได้เป็นรักษาอโบสุถคือในด้านจิตใจมันก็มีความประณีตขึ้นเะงั้นถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตในภาษาไทยเราที่เราพูดว่าตกนรกขึ้นสวรรค์น่ะ บาลีท่านไม่ใช้คำอย่างนั้นเน่ะเป็นภาษาที่เราพูดกันเองที่ทรงใช้บาลีว่ากายสเพดาปรมนาทุกติ่งวินิป่าตังนิระยังอุปปัชติอุปปัชติเนี่ยแปลว่าบังเกิดย่อมบังเกิดถ้าสวรรค์ก็จะใช้คำว่าสักคังโลกังอุปปัชติย่อมบังเกิดในสวรรค์ ไม่ได้บอกว่าตกนรกรขึ้นสวรรค์ไม่ได้บอกอย่างงั้นไม่ได้บอกขึ้นสวรรค์ตกนรกแต่เราเอาอะไรมาพูดเราเอาสภาพจิตมาพูดสภาพจิตมาพูดสภาพจิตที่มันตกตกจากมาฐานของศีลธรรมจกตาอะไรจกตาครองของกุศลกรรบดเห็นไหมฮะครองก็กุศลกรรบดนี่เป็นครองของมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไปรักทับม า, าพิพิดในการนี้ฮะไอสูตรสิบข้อเนี่ย ทีนี้พอมันตกจากกุศลกำหบดไอ้มาตรการทางความพลิกไอ้มาตรฐานทางความพลิกมันก็ตกกายก็เป็นทุจริตพระจีก็เป็นทุจริตมโนก็เป็นทุจริตเราพูดถึงสภาพจิตที่ตกแล้วก็เป็นการตกนรกในปัจจุบันนะฮะสภาพจิตมันตกตั้งแต่ปัจจุบันแนละ้วพอตายมันก็ตกนรกเราใชาค้คำว่าตกนรกทีนี้ก็เรามองแค่เรามองของตกคือมันหล่นลงมาข้างล่าง แล้วก็นึกเลยเถิดไปว่านรกอยู่ใต้ดินเลยจกเลยนึกว่านรกอยู่ใต้ดินพอเรียนวิทยาศาสตร์มาไม่ปรากฏว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในคือใต้ดินเนี่ยแล้วพูดนรกบางอย่างที่เขาบอกว่าลึกเป็นคือมันทะลุโลกหายไปนะอเมริกาก็เป็นนรกหายไปเลยเลยเล ย, เ, ลยเราก็เกิดสับสนในด้านความคิดที่จริงไหมครับพระเจ้าไม่เคยใช้คําว่าตกนรกพระเจ้าก็ว่าเกิดในนรก เป็นภาษาใจนะฮะภาษาถึงสภาพจิตมันตกเป็นพฤติกรรมมันก็ตกเพราะในขึ้นสวรรค์ที่เราใช้คำว่าขึ้นคือสภาพจิตมันพัฒนาขึ้นมันยกขึ้นจากมาฐานของมนุษย์ก็ขึ้นมาฐานของเทวดามันก็มีความบระิีตขึ้นไปมันก็กลายเป็นขึ้นเป็นขึ้นแต่ว่าพรหมมลกพระพุทธเจ้าไม่ใช้คาว่าเกิดใช้คาว่าอุปคโตแปลว่าเข้าถึงอุปคโต พรหมโ ล, โลกูปโคนะฮะคือการเข้าถึงพรหมโลกเป็นภาษาถ้าเราไปดูภาษาแล้วก็มีความเคลื่อนไหวคือความเปลี่ยนแปลงทางรูปกายหรือทางจิตนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นคําว่าตกนรกจึงไม่ได้หมายนารกอยู่ใต้ดินนะแต่คําว่าขึ้นสวรรค์นั้นไม่ได้หมายว่าขึ้นไปเหมือนกับขึ้นต้นไม้แต่เป็นมาตรฐานทางจิตที่มันสูงขึ้นแล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของคนเรานี่ ให้มันสูงขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติก็กลายเป็นสวรรค์สวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศเท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าไอ้สิ่งแวดลอ้อมตัวท่านอะ่ะที่ท่านบอกวิมานคือความสวยงาม ว, วิจิต ต, ตการต่างเนี่มันก็มีอะไรคือมีรูปเลิศมีเสียงเลิศมีกลิ่นเลิศมีรสเลิศมีสัมผัสเลิศก็เรียกว่าสวรรค์ รปลว่าอารมณ์เลิศอารมณ์ก็คือรูปอารมณ์ตารมณ์กันตารมณ์รส า, ารมณ์ปุถภารมณ์ธรรมารมนะใจมันก็เลิศเพราะใจะใจจะไม่มีความโกรธไม่มีความริษยานะโดยโดยปกติสภาพใจปกตินะฮะแต่ว่าเทวดาบางทีก็ทะเลาะกันเหมือนกันยังนึกไอไอเทวดาชั้นเชิงสูงไอเท้าจักะในจอมชั้นเชิงอ่ะตัวแสบน่าดูเหมือนกนะนี่ยังนึกขำยา ม, ยมาอย่างในข่าวในตอนที่นาง โรฮินีพระกนิษฐภพักินีของพระอนุรุธพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้ท่านทำบุญเพราะท่านทำบาปไปได้เคยเล่าฟังที่ว่าอิจฉาเอริสยาหญิงร่วมสามีแอบเอาหมามุ้ยไปโรยไปที่นอนผู้หญิงน่่นไปนอนข้าวเลยเปื่อยท่านก็บาปกรรมนั้นก็ทาให้ท่านเป็นโรคเรือนขณะที่สุดเมื่อท่านทาบุญแล้วก็ไปบังเกิดเป็นบังเกิดระหว่างวิมาน ไอ้เทวดานั้นไม่ได้หมายความว่าแทศที่ดาจะเป็นจะเป็นอะไรตาพูเป็นในไทยคือจะเป็นพัญญาของเทพบุตรคือบางทีเป็นลูกนะฮะบางทีเป็นที่ดาบางทีก็เป็นบริวารบางทีก็เป็นพัญญาก็แล้วแต่นะคือถ้าเกิดบนตักจุติขึ้นมาบนตักบนบนที่อยู่เนี่ยก็ถือเป็นลกูกทีนี้ ถ้าเกิดข้างวิมานมันก็เป็นบริวารถ้าเกิดในวิมานมันก็เป็นเป็นพัญญาก็แล้วแต่แต่นางโรหินีเนี่ยไปจุติระหว่างวิมานสี่วิมานกทเทวดาก็แย่งกันแย่งกันแล้วก็นํามาให้พระอินทร์ตัดสินพระอินทร์เลยทําหน้าที่เป็นตายอยู่ จะปรากฏว่าพระนางโรฮินีนี่พอเป็นเทพธิดาวสวยงามมากถามเทพบุตรองค์แรกนี่ว่าเธอพอเห็นแล้วมันคิดยังไงบอกโอ้ยข้าพระองค์พอเห็นเทพธิดาวนี้แล้วใจเต้นมันตีกรองไม่สงบเลยใจเต้นมันตีกลอ ง, ง, เ, ล เ, ลองเออก็น่าเห็นใจนะพระอินทร์บอกก็น่าเห็นใจถามองค์ที่สองว่าเป็นยังไงบอกโอ้ยพอเห็นนี่ใจมันก็คลื่นกระทบฝังนะโครมโครมมันก็กท่าย่างแรง จะต้องการจะได้นั้นเทศติดาโอ้นี่กุณก็แรงมากเหมือนกันนะพระมองค์ที่สามองค์ที่สามก็บอกว่าแกนั้นคือโปเขินแลวเรียกของข่าวอ่อนเลยโอ้หอ่อนเลยพระธมองค์ที่สี่บอกแหมพอเห็นป๊๊บละวมักตาของข้าพระองค์นะี่เหมือนดุดจะทันหลนออกมาเย้างนอกเลยจะตายให้ได้เลยพระอินบอกว่าเทหน้าเห็นใจนะ เธอทุกคนนี่น่าเห็นใจแต่ฉันนี่พอเห็นเทพธิดาปั๊บนี่ถ้าไม่ได้ฉันตายแน่นะฉันเชิงละอินจอมฉันเชิงเลยเทพบุตรก็สงสารกลัวพระอินทร์จะตายก็เลยถวายเลยเนี่ยก็เทวดาก็มีฉันเชิงเหมือนกันนะเพราะว่าเทวดามีกิเลสเป็นโรคของกาเมคุณแต่ว่าในยามปกติเนี่ยแต่ว่าความโกรธมันจะตัดรอนอายุของเทวดาเพราะฉะนั้นในส่วนการจุติคือการจุติคือตายเทวดาตาย นอกจากเกิดด้วยหมดบุญหมดอาหารหมดอายุเนี่ยมันจะเกิดจากความโกรธความโกรธจะตัดรอนอายุให้สัน้นให้สั้นลงอายุที่ไปสั้นลงแล้วมนุษย์เราเองนะฮะคือถ้าโกรธบ่อยๆแล้วเนี่ยอายุจะน้อยลงก็พยายามอย่าโกรกธบ่อยๆก็แล้วกันถึงไม่น้อยลงก็แก่มากลงนะเพราะว่าหน้าตาก็ไม่สบายนี่ก็ วิมานเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าวิมานของนางมหาสุภัฏฐานั้นเกิดที่มันสูงขึ้นด้วยศีลสูงขึ้นด้วยศีลเป็นการไปนำมหาสุภัทาเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันด้ว ย, เ, ยเป็นเป็นสกิทาคาด้วยลืมไปเป็นสกิทาคาด้วยครับเพราะงั้นถึงแม้จะทำบุญระดับเดียวกันแต่มาตรฐานทางกิตแล้วห่างกันมาก าก็จึงขึ้นไปห่างนะฮะสวรรค์นี่ก็เรียงเฉพาะกรรมอาวจรนีนจาตุ ม, มาราชดาวดึงยามรุสิตนิมาดีพระนิมาดีนี่อยู่ชั้นที่ห้าดาวดึงอยู่ชั้นที่สองพี่สาวไปเกิดชั้นที่ห้าน้องสาวเกิดชั้นที่สองกรรมเป็นแรงดันในระดับที่แตกต่างกันซึ่งเหมือนกับอะไรคือท่านทั้งหลายมองย้อนจากพระสูต ท, ที่เราพูดกันมาแล้วนะฮะจะเห็นว่า ในสังขารูปรปฏิสุทธิสังขารูปรปฏิสุทธิ์พระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเพียงห้าขอ้อคือศรัทธาศีลการศึกษาจาคะปัญญาว่าจะทําให้คนเลือกเกิดจากเป็นลูกคุรุหัตตมหาศารจนเป็นอากติตะพกคือเกิดในอนาคามีพรมชั้นสูงสุดคือคือไม่ใช่สุทาวาสชั้นสูงสุดมันเป็นปริมาณของธรรมะที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นแล้วก็ดึงคนให้มันห่างออกไปโดยลาดับ ให้ท่านทังหลายลองสังเกตดูไอสภาพจิตนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ต้องเอามากเรามานั่งปฏิบัติกรรมฐานทำใจส ง, งบเยือเกเย็นอยู่ด้วยธรรมะแล้วลงไปซื้อของแถวปากตลาดตัวไอแถวปากคลองตลาดตัวนะท่านจะรู้สึกอึดอัดทันทีเลยอึดอัดใจก็ไม่สบายเสียงก็สแสลงหูมันวุ่นวายสับสนไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องทั้พันนั้นคือใจมันเริ่มถอยหาง เพราะมันมีความละเมียดมันมีความละเอียดขึ้นประณีตขึ้นเราก็จะถอยห่างแม้ในภพภูมิของเราเนี่ยพอสภาพจิตเราเริ่มห่างเราจะถอยห่างจะถอยห่างเองโดยการโดยเราพยายามหลีกเลี่ยงไปเองเช่นคนบางคนอาจจะเคยคุยกันสนุกเนี่ยเพื่อนเคยคุยกันสมัยที่เราเป็นนักเรียนอะไรต่ออะไรเคยเล่นกันสนุกแล้วก็หากันมาตอนหนุ่มตอนสาวได้แต่นี้ก็ห า, ากันมาพออีกแต่คนหนึ่งยังอยู่ใน วังบนของโลกียวิสัยที่เต็มรูปนะฮะเราเริ่มถอนตัวออกมาศึกษาความธรรมปฏิบัติธรรมว่าหลังนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็เริ่มห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปเองเพราะ ง, งั้นในพพชาติเนี่ยมันก็เริ่มแยกกันตั้งแต่ในโลกมนุษย์เริ่มแยกกันเห็นได้ชัดพระมาฐานทางจิตไม่อยู่ในระดับเดียวกันเราคุยกันไม่รู้เรื่อง เราจะคุยอีกเรื่องหนึ่งเขาคุยเรื่องหนึ่งเขาคุยกระตุ้นราคาโทรศัพท์เราคุยกระตุ้นบรรเทาราคาโทรศัพท์เลยมพูดกันก่อ น, น, นเรื่องแต่ในที่สุดคุยกันไม่ได้กี่วางก็ต้องถอยถอยห่างออกไปนั้นท่านท่านวิเคราะห์ตัวท่านเองได้ว่าแท้ที่จริงนั้นเราถอยห่างมาตั้งเยอะแล้ในชีวิตปัจจุบันพบชาติในแต่ละขณะความคิดเราก็ถอยห่างเพราะงั้นเมื่อยืดการออกไปกว้างมันก็กลายเป็นการถอยห่าง อัิมานในตอนต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องของการทำความดีที่ที่เน้นไปในด้านธรรมะนะครับเน้นไปในด้านธรรมะสูงขึ้นชุดนี้ที่ที่จริงมันมีอยู่1ิบกลุ่ม1ิบิมานแต่ท่านจะเห็นว่ามันก็มีคู่คู่อยู่หลายพิมานเป็นเทพธิดาที่ไม่ใช่สูงนะครับเทพธิดาตนนี้เป็นคนใช้แต่นั่นเองเป็นคนใช้ เป็นคนใช้ภายในบ้านของนายแต่พยายามปฏิบัติหน้าที่ของตัวอย่างดีที่สุดแล้วได้เงินได้ทองอะไรนิดๆห น, น่อยๆก็พยายามเก็บ อ, อมเอาไว้แล้วก็บำเพ็ญทานเวลาทรัพย์มีเวลาศรัทธาเกิดขึ้นบุคคลที่ควรแก่การให้ทานมาปรากฏเขาก็ให้ทาน ก็เนี่ยหน้าที่ดีแล้วแม้นายจะดุจะด่าจะอะไรก็ตามไม่โกรธไม่โกรธเพราะไม่รู้จะโกรธทําอะไรก็ลองนึกดูอีกทีหนึ่งไม่รู้จะโกรธทําอะไรเหมือนกันคือคนหนึ่งมันโกรธมาคนหนึ่งแล้วแล้วเราไปโกรธเพิ่มก็อีกคนหนึ่งอีกตอนก็โกรธมาคนหนึ่งไอ้กอยคนนั้นก็ชักจะไม่ค่อยสบายสบายอยู่แล้วนะเราไอ้สุขภาพก็ดีขึ้นหน่อยพอเรากลัวแค่อีกก็เลยเพิ่มคนไม่สบายขึ้นสองคน มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วจากบุศลเหล่านี้ตอนนี้ประวังกิจะเหมือนกันนะไปพบก็บังเกิดในวิมานวิมานอีกวิมานหนึ่งนั้นเป็นการพบของพระนาระทะเป็นการเป็นการไปเยี่ยมของพระนาระทะคือ ถ้าเรามองดูแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนหลังพุทธกาลเพราะท่านเล่าว่าท่านนำดอกไม้ไปบูชาในเจดีย์ที่บรรจุธาตุของพระสารีบุตรพระสารีบุตรนิพพานที่นาลันธาพระจุนทานําธาตุมาถวายพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ พระเจ้าก็รับสั่งให้ก่อเป็นเจดีย์เอาไว้ให้คนสักการะบูชาแล้วท่านผู้นี้เป็นอุบาติกานะฮะก็นึกถึงภาษาริบุตรรู้จักท่านมาก่อนก็นำดอกไม้มาไหวมาบูชาธาตุของภาษาริบุตรแล้วพอดีก็ระยะใกล้ๆ ก, กันนะฮะท่า น, นก็ตายตายไปก็ไปบังเกิดในสุคติ อีกองหนึ่งนี่ชัดเจนเลยว่าเป็นหลังพุทธบริพานเพราะไปบูชาพระาธาตุเจดีที่บรรจุพระาธาตุของพระพุทธเจ้าคือหลังแจกแจกไปที่เมืองกุสินาราแล้วมันก็ไปตั้งแปดเมืองนะฮะมีตุมพระด้วยตุมพระที่ตวงพระาธาตุท่านก็นไปบูชาแล้วก็ตายไปเกิดเป็นเรื่องยุคหลังพระวังคีสะที่จริงเป็นคนที่สาคัญ เป็นพระรุ่นรุ่นคล้ายๆก็ค่อนๆมาตอนกลางพุทธสมัยแต่เราดูประวัติพระพุทธเจ้าอยู่ที่สาวัตถีแล้วท่านก็คงนำเรื่องนี้มาเล่าให้พระถังคีติกาจารย์ฟังแลท่านก็ยกขึ้นสู่สังคายนะประการต่อไปนั้นเป็นวิมานที่พระนาระทะพบแล้วท่านเหล่านี้ถาวายฐาน แต่ก็เป็นการถวายในลักษณะที่คือเตรียมพร้อมนะฮะเตรียมพร้อมสามเรื่องอันหนึ่งทานวัตถุคือวัตถุที่ให้สองศรัทธาแล้วก็สามคนที่ควรให้ก็เรียกว่าทักขิเน ย, ยบุคคลคือไม่ใช่ให้เรื่อยแต่จะให้อย่างมีเหตุมีผลเราจะต้องดูสภาพพร้อมของเราทั้งสองด้านนะฮะ คือยังในขณะ น, นี้เวลานี้ทั้งทั้งหลายจะเห็นว่าก็ดีกากระถินก็ปลีวอ่อนชนกลางอากาศเย <_ S 1> อะเงินเรามันไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าการชักชวนทำบุญเพิ่มขึ้นโยมต้องดูใจนะถามใจตัวเองตอนนี้มีศรัทธาหรือเปล่ากำลังทรัพย์พอไหมลแล้ว ไอ้สิ่งที่เราให้ไปนั้นมันเป็นทักษิณเยบุคคลที่จะก่อให้เกิดผลทั้งแก่สิ่งที่เราให้และแก่เราหรือไม่ก็โดูๆให้ดีรือถ้าหากว่าไม่พร้อมก็รอไปก่อนก็ได้แต่ถ้าทำไปแล้วมีความขุ่นมัวเศร้าหมองมันก็เป็นการลากกิเลสตรงหนึ่งแล้วเพิ่มกิเลสอีกตรงหนึ่งขึ้นมาก็เหมือนกับวิทย วิดน้ำไอคุณออกแล้วปล่อยน้ำคุณไอปล่อยน้ำคุณเข้ามาอีกทางหนึ่งจึงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านเหล่านี้ถาวายฐานในลักษณะนั้นคือก็ตรงกับสูตรที่เคยพูดมาฮะว่าวิเจยดานังสุกตะประสัตถังการใครครวนการพิจารณาเชื้อก่อนแล้วจึงให้ประตถาคตเสนเสริญ แด้ต่อมาท่านก็ให้สังกทานคือท่านเคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้ า, าว่าทําทานยังไงจึงจะได้ผลได้คือคือพูดเฉพาะทานนะท่านต่างหลายได้โปรดเข้าใจว่าพูดกันเฉพาะทานและพระพุทธเจ้าก็ตอบเฉพาะทานในชั้นที่มันประณีตขึ้นไปประนีตขึ้นไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเฉพาะเรื่องทานนะแต่ว่าตอนนี้พูดกันเฉพาะเรื่องทาน ท่านก็ถามว่าทําการให้ทานในลักษณะอย่างไรที่จะมีผลมีอานิสง์มากควรจะเลือกทักกินเนยบุคคลอย่างไรท่านถามอย่างนั้นนะฮะพระเจ้าก็รับสั่งว่าต้องให้เป็นสังกรฐานคือบรรดาทักกินเนยบุคคลทั้งหลายนั้นสังฆะเป็นยอดคือหมู่ของพระสงฆ์นะฮะเป็นยอด ทีนี้การให้ทานของเรามันก็มีอยู่สองแนวอะ่จริงพระปัจจุบันเขากเกรงใจนะฮะมีการประนีประนอมก็นพอสมกวรคือไม่อยากจะพูดอะไรให้โยมเขาเสียกาลังใจการถวายสังฆทานที่จริงเป็นธรรมเป็นการธรรมที่ยากเพราะอะไรเพราะใจเรานอกจากจะมีศรัทธาเรามีกาลังทรา์แล้วนะฮะใจจะต้องไม่เอียง จะต้องไม่ตัวเองไปผูกพันกับเจ้าคุณสมเด็จพระครูพระอาจารย์เกจิอาจารย์องไหนเลยที่เราต้องการจะถวายสังฆทานก็กแ บ, บ่งเป็นสองนะฮะเดียวกัปาฏิปุกลิกฐานคือทานที่เจาะจงฐานที่เจาะจงไม่ใช่เจาะจงคนเดียวเจาะจงสักร้อคนก็เป็นการเจาะจงอย่างการทําบุญกันในกรุงเทพสวนมากไปนิมนต์สมเด็จวัดนี้ท่านเจ้าคุณวัดนนท์ทาพระครูวัดนั้นใช้รถไปตั้งสี่ห้าคันไปหาพระมาได้9้าองค์ อันนี้ก้าองค์จริงฮะแต่เป็นปาฏิปุกลิกกฐานคือท่านเจาะจงเพราะท่านเลือกคนรับเลือกคนรับเอาเองให้ถวายเป็นรอยก็ยังเป็นปฏิปุกลิกนะฮะไม่ใช่เป็นสังฆฐานแต่ในแง่ของสังฆทานนั้นจะเป็นการขอสมขอนิมณพระจากวัดไหนก็ตามบอกขอถวายสังฆทานึตามปกติทางไอสังฆในภาษาวินัยนะฮะในศาสาธรรมะเนี่ย ภาษาพินัยเนี่ยมันมีสี่องค์แต่บางครั้งบางคราวอาจจะไม่ถึงสี่องค์ก็ได้ไม่ถึงสี่องค์ก็ได้พระองค์นั้นอาจจะไปในนามพระสงฆ์แล้วก็รับมาถวายสงฆ์แต่เราเองเราไม่ได้ถวายพระองค์นั้นนะฮะพระองค์นั้นเป็นตัวแทนนั้นเองไปรับเมื่อ ก, กลายเป็นสังฆทานได้สังฆทานจึงมีความปันนี้ในด้านจิตใจจนะิตใจของคนเราไปผูกพัน ออนิมน ร, รับพระรับสังฆทานขอท่านเจ้าคุณไปด้วยเสร็จเลยไม่เป็นสังฆทานขออนิมนั่เจ้าคุณไปด้วยนไปเจาะจงที่ท่านเจ้าคุณจะได้ไม่ได้คือรับไปเลยแล้วต้องทําใจให้สบายก็ส่งใครไปมานั้นถือว่าเป็นตัวแทนของสงฆ์นั่นเองเป็นตัวแทนของสงฆ์ที่จะนําของเหล่านั้นมาถวายมาให้แก่สงฆ์ก็เป็นกองสงฆ์อีกทีหนึ่งเพราะสังฆทานจึงในแง่การปฏิบัติและทําได้ยาก พราะใจเราจะไปเจาะจงซิเรื่อยเดมันเป็นการขาจัดอีกิเลตได้แยะนะฮะปะงั้นบุญมัน จ, จึงมากเป็นพิเศษในการให้ทานจึงทรงแสดงในแนวทักกินา ว, วิพังกสุตคือคื อ, ค, อคือเรื่องสสี่ชุดด้วยกันแต่เขาถามนั้นก็ถามองค์ประกอบภายนอกคระเจ้าก็ตอบเฉพาะภายนอกแต่ในแง่ของข้อเท็จริงแล้วมันมีองค์ประกอบอยู่สองฝ่ายคือทั้งภายนอกภายในยได้แก่เรากับคนอื่น คือผู้ให้กับผู้รับนะมันมีองค์ประกอบอยู่สองฝ่ายทัศน์นาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ให้ก็ให้ไปยังแก๊งแก๊อย่างนั้นเองดีกามาวางอยู่บนโต๊ะมากก็ปัดความรำคาญในทีนึงจับสตางยัดได้สองหบาทห้บาทนะก็ดูงให้แก้ความรำคาญอันนี้มันมันมันมัไม่บริสุทธิ์อะคือใจไม่บริสุทธิ์ไม่ให้จะเลยยังดีกว่า เอาสตางไว้ลูกกินขนมแล้วผู้รับเองก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายนี้มันก็เหมือนกับอบพืชชนิดไม่ดีไปหว่านในนาดอนนะฮะก็เรียบร้อยอีกประเภทที่สองนั้นบริสุทธิ์ฝ่ายทายกคือทายกพร้อมทานไอกุศลเจตนาพร้อมวัตถุก็พร้อมเจตนาก็ดีของที่ได้มาก็ดีแต่ว่าคนรับไม่ดีคือขาดไม่มีศีลไม่มีกัญยาณธรรมก็เสีย ก็กลายเป็นเป็นได้กึ่งเสียกึง่งข้อที่สามนั้นเป็นการบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับนะผู้รับดีเหลือเกินเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยธรรมแต่ว่าผู้ให้ก็ให้สง่งส่งไปอย่างที่ว่าคือในเจตนาก็ไม่ดีสิ่งที่ได้มาก็ไม่ดีมันก็เหมือนกับเอาพืชชนิดไม่ดีไปหว่านในดินดี ส่วนประเภทที่สนั้นประเภทที่4นั้นคือบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ทำให้ได้ผลเป็นเป็นมันก็ช่วยหนุนกันนะฮะช่วยหนุนกันทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับคนเราก็เหมือนกันลักษณะทางชีวิตนะฮะคือนอกจากเราช่วยตัวเองแล้วจะต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยคือไม่ใช่ไปปล่อยให้โดดเดี่ยวเดียวดาย ไม่มีใครสนับสนุนกันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ฮมันเหมือนกับไอราชาเพชรจะมีค่ามันก็ต้องอาศัยเรือนแหวนเป็นตัวรองรับมันก็หนุนกันจึงจะประกายของเพชรจึงจะเด่นขึ้นมาได้ในการทําความดีก็มีลักษณะอย่างเดียวกันมันมันมีเงื่อนไขบางอย่างในมีเงื่อนไขระดับของทานท่านจะเห็นว่ามีมีเงื่อนไขแต่ระดับของศีลไม่แล้วนะฮะระดับของศีลมันอยู่ที่เราแล้วอยู่ที่เราแล้ว ระดับศีลระดับสมาธิยิ่งอยู่ที่เราใหญ่เลยเงื่อนไขาจากภายนอกไม่มีความจําเป็นหรือแม้ที่อย่างที่เรามาพูดกันมากแล้วก็ชาวบ้านในถูกเป่าสมองกันเด้วยท่ว่าจะต้องมีอาจารย์นะควบคุมนะจะต้องปรึกษาจะต้องสอบอารโรแมนติกไม่จริงนะะไม่มีหลักฐานระดับบาลีอัตกถาเลยนอกจากออกมาจากพม่ามามไม่กี่ปีนี่เองเป็นเสริมอัตตาให้อาจารย์นะนั่นเอง ไม่มีการสอบอารมณ์หรอกครเป็นอะไรจะต้องสอบคือเขาบอกไปในส่วนปริยัตินี่ย น, นั้นคือการสอบอารมณ์แล้ ว, วนนบอกว่านิวรณ์มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นจะแสดงอาการอย่างนั้นนั่นคือการสอบอารมณ์และเราสอบตัวเราเองได้เราสอบตัวเองได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอบอารมณ์แต่จะทรงแสดงธรรมะให้เขาสอบเขาเองพุทธศาสนาสอนวินยูชนคนระดับกรรมฐานระดับวินยูชนแล้วนะครับ ไม่ใช่ระดับเด็กเรียนอนุบาลจะมานั่งทดสอบวิธีเขียนตัวกอตัวข อ, อกันอยู่วราะแนวการสอบอารมณ์นี้ไม่มีในพระพตทธศาสนาด้วยซ้านะว่าจริงนะฮะแต่เป็นแนวที่เราได้มาจากพา ม, มา่มานั่งสอบอารมณ์อยู่วัดหนึ่งวันก่อนเ น, น, นี่ยอาจารย์นั่งสอบอารมณ์สอบไปสอบมาประกวลูกศิษย์ลูกขึ้นเตะตุกซ่งโรงพยาบาลต่างหลายเด่นยังไม่รู้ว่าลูกศิษย์กำลังจ้องจะเตะเยอะยังสอบอารมณ์ได้อย่างไรก็อารมณ์ลูกศิษย์คิดยังไงยังไม่รู้เลย เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราไปสร้างขึ้นแล้วก็ชาวบ้านเองก็ไปไปไปเชื่อในเรื่องนั้นฉะนั้นเวลานี้เราต้องดูหลักในพระใจพิดกอย่าให้เกิดความสับสนแนความคิดเหล่านี้ถ้าเราคุยแลกเปลี่ยนกันนั้นได้คุยแลกเปลี่ยนกันเวลาเขาสนทนาการเป็นไงการปฏิบัติอย่างไงเออเขาบอกว่ามันเป็นอย่างานั้นจะแก้กันยังไงอะไรต่ไรนี่ฮะคุยกันได้แต่มานั่งสอบอารมณ์นั้นถ้าสอบกันด้วยภาษาจิต คือโดยคนถูกสอบไม่รู้เนี่ยเขาใช้นะฮะคนถูกสอบไม่รู้เขาใช้พระพุทธเจ้าใช้คนคนถูกสอบเองนั่งปฏิบัติเนี่ยพระพเจ้าท่านรู้แล้วท่านก็แนะให้ยานที่เคยเล่าเรื่องภิกษุณีพวกภิกษุณีนี่ยังไงยังไงท่านก็ระบรรกร บ, บการศึกษ า, าไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วท่านทํากรรมาฐานบางทีท่านพอพอคิดธรรมะเนี่ยพอคิดธรรมะท่านเกิดติดพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าบอก แต่โดยบอกโดยเขาไม่รู้ว่าเขาถูกสอบอะไรพระพุทธเจ้าท่านมีพระาญาณท่านมีอาเทศนาปฏิหารท่านรู้ว่าลจิตก็คิดยังไงท่านก็บอกให้แต่ไม่ใช่ไปนั่งถามไปไงปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงอะไรตร่อะไรนี้ไม่มาหนะไ ม, ไม่ไม่ต้องไปถามอย่างนั้นท่านรู้ของท่านเองแล้วท่านบอกเองแล้วบอกโดยคนไม่รู้ว่าเราไปรู้ความคิดเขาเพราะถ้าเรา แสดงว่าเรารู้ความคิดเขาก็เหมือนกับอะไรลูกศิษย์อาจารย์มั่นแกไปคิดเหลงเจ้างหลงแมวเข้าป่าไปอาจารย์มั่นไปพูดเขาหน่อยแล้วก็ห น, นีเข้าป่าหายเลยเขาไม่พูดนะในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วแม้เราจะรู้นี่เขาจะไม่พูดแต่ก็จะหาการเทศหาการเทศอ้อมๆเข้ามาเพื่อกระตุ้นให้คิดเอาคนเราจะต้องเอาไปคิดตัวเองไม่ใช่ไปนั่งซักถามกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ไปทดสอบนี่ไม่มีรนะ แต่ถ้าใครสมัครจะทาก็ได้สมัครจะทาว่าเรายังไม่มั่นใจในตัวเองไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ก็ให้คนอื่นจะวิเคราะห์ให้ก็ได้แต่ในแง่ข้อเท็จจริงแล้วเราวิเคราะห์ตัวเราเองเป็นประการสำคัญนะฮะอย่างที่เคยบอกว่าคนโงท่ที่รู้ตัวว่าคนโง่มันเป็นคนฉลาดได้คนโงท่ที่ไม่รู้ตัวตัวเองโง่นั่นคือโง่แท้ กรทั้งสองอย่างนั้นเป็นเรื่องเรารู้ของเราเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างคงจือแกพูดแกพูดเก่งนะฮะคงจือเนี่ยมาชอบประโยคนี้ของแกที่แกบอกว่าเมื่อท่านรู้เมื่อท่านไม่รู้ท่านรู้ว่าท่านไม่รู้นั้นคือท่านรู้เมื่อท่านรู้ท่านรู้ว่าท่านรู้นั้นก็คือท่านรู้มันก็รู้ก็มีอยู่สองรู้นะคือไม่รู้เรารู้ว่าเราไม่รู้แสดงว่าเรารู้เวลาเรารู้เรารู้ว่าเรารู้ก็แสดงว่าเรารู้ มีสองอย่างแต่ที่มันยุ่งมันตรงไหนนะฮะคือเราไม่รู้แต่เราคิดว่าเรารู้บางทีเรารู้แต่คิดว่าเราไม่รู้เลยมันก็มีผลเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายและท่านไปเชื่อมโยงดูนแนวความคิดนี้มันเหมือนกัตตาญานฮะกตญ า, านในในยานถามกัตตาญานก็คือรู้ว่าทุกที่ควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้ว สมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญได้เจริญแล้วนั่นก็คือหมายความว่าเรารู้แล้วเราก็รู้ว่าเรารู้จึงเกิดเป็นอย่างขึ้นมาดังนั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องอยู่ที่เรานะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไปประกาศให้เวลานี้มันยุ่งไปหมดแล้วนี่ข้างล่างนี่กรรมฐานในพุทธมาคมกําลังจะประชุมหวันจะออกประกาศนิยบัตรรับรองกรรมฐานให้อัตมาอบรมมาสปีแล้วไม่ออกประกาศนิยบัตรให้ใครเลยแล้วแผนเดียว ประกาศนียบัตรท่านต้องรับรองท่านเองเนียไม่มีใครออกให้ได้พอมีประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรอบรมกรรมฐานมาแล้วก็ในต่อไปนี้มันจะอบรมกรรมฐานเพราะต้องการเศษกระดาษกันโดยไม่ต้องการความซส ง, งบนิวรซึส ง, งบกิเลสไม่ใช่เป้าไม่ใช่เป้าในการอบรมกรรมฐานเราดูแล้วคล้ายๆจะน่าชื่นชมนะแต่เราเรามองอีกมุมหนึ่งว่ากรรมฐานนี้เขารับรองกันโดวยวุติบัตร รับรองกันด้วยคุณภาพจิตนะฮะรับรองกันด้วยคุณภาพจิตที่มันส ง, งบนิวรณ์ได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเศษกระดาษนั้นช่วยใครไม่ได้ล่ะดังนั้นในที่นี้เราจึงจึงจึงไม่ใช้วิธีรับรองแต่รับรองในแง่ผ่านหลักสูตรการอบรมนั้นได้สำหรับเด็กนะฮะมาใช้ยอย่างลูกสาวทีฤษตีวิทยานี่ก็ใช้เศษกระดาษช่วยเหมือนกันเพราะเด็กนะฮะ อันนั้นมันทําความดีแบบเด็กแต่นี่แบบผู้ใหญ่แล้วมันไม่ต้องมีการรับรองต้องรับรองตัวเองเอาแล้วก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่อีกนิดนระหว่างจุลสุภธรรมาตุเอนางสุภธากับมาหาสุภัธาเนี่ยคือพวกนี้ถวายนิทยพัตนิทยพัตคือถวายพัฒน์ประจํมามหาสุภธาไม่ใช่จุลสุภทาถวายวันละสอันนี้ถวายวันละแปดมันต่างกันสองจุดนะครับ อีหนึ่งเป็นสกิตาคามีถวายนิจพัตธวัลลาแปดรูปอนนั้นเป็นกา ร, รยานชนถวายนิจภัทวัลลศีเพราะงั้นทำให้แยกวิมานเป็นจากชั้นคนหนึ่งอยู่ชั้นสองคนหนึ่งอยู่ชั้นห้าแต่สรุปแล้วว่าวิมาน ท, ทั้งหมดที่พูดมานั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่านอกจากพระานางมหาสมัทาคนเดียวเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญทั้งหมดเลยเดียวก็เรียกว่าเป็นอาคารยะวินยัยคือธรรมะของผู้ครองเรือน เป็นการปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วก็ในชีวิตประจําวันนี้ไม่โกรธมีความอดทนไม่รู้อํานาจแก่อารมณ์ภาระหน้าที่ในฐานะของพัน ญ, ญาก็ทําดีในฐานะของลูกสะพ้าก็ทําดีในฐานะมิตรของมิตรก็ทําดีคือหน้าที่หน้าที่ดีนะั้นนอกจากจะเป็นสวรรค์วิมารในปัจจุบันคือได้อารมณ์เลิศแล้วเ ป, เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้บุคคลประสบวิมารในภายภาคหน้าจากตัวอย่างเรื่องราวบุคคลที่ได้ว่ามาแล้วนะฮะ สมรับวันนี้ก็เวลาก็หมดขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดดลบันดาลอภิบาลนักษาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไพยบูรณนธมอานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยตัวการทุกท่านเถอ